ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกไทยรายการของเราออกอากาศอยู่ที่ FM 89.5 m มแสเมกะเฮิรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเทคโนโลยีเพื่อกุณาภาพชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนดำเนินรายการเช่นเคยนะครับรายการมรดกไทยของเราก็คัดเลือกเนื้อหาและก็เสียงเพลง ที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้ทั้งความรู้สาระแล้วก็ความบันเทิงเราอยู่กันเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับคุณผู้ฟังครับมาดูว่าวันนี้ทั้งสช่วงของรายการมรดกไทยมีอะไรบ้างวันนี้คอนเซปต์ของรายการคือเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็คุณประโยชน์ของต้นไม้นานานชนิดรวมทั้งตำนานเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ที่น่าสนใจ สำหรับช่วงที่1นะครับมรดกเพลงไทยวันนี้นำเสนอเพลงใบไม้ซึ่งเป็นผลงานของวงฟลายส่วนเนื้อร้องก็โดยคุณนิ่มสีฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจของเพลงนี้กันช่วงที่สองมรดกวิถีไทยนะครับบอกแล้วว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องของต้นไม้ใบไม้ดังนั้นในช่วงมรดกวิถีไทยก็จะพูดถึงตะเคียนทองสปปรรพคุณและประโยชน์มีมากมายมหาศาล ช่วงที่สมรดกภูมิปัญญาไทยคุณผู้ฟังถ้าจะต้องปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านวันนี้ผมมีเคล็ดลับในการเลือกต้นไม้มงคลที่ปลูกแล้วช่วยเสริมดวงเพิ่มโชคลาภปลูกไว้ในรั้วบ้านแล้วก็ชีวิตจะราบรื่นนะครับมาถึงช่วงที่สี่ช่วงนี้น่ากลัวนิดหนึ่งนะครับจะพูดถึงตำนานผีนางตานี ซึ่งเราเคยได้ยินแล้วก็คุ้นเคยอยู่แต่ว่ารายละเอียดต่างๆเป็นมาอย่างไรวันนี้จะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะครับทั้งสี่ช่วงไม่ได้มีแค่เนื้อหาที่น่าสนใจแต่มีเพลงที่น่าประทับใจมาฝากคุณผู้ฟัง mm. เช่นเคยรับรองว่าเพลงแต่ละเพลงนั้นฟังแล้วทำให้คุณฟังนึกถึงความหลังแล้วก็มีความรู้สึกดีๆแล้วก็มีความสบายใจเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่ง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 ช่วงที่หนึ่งมร ด, ดกเพลงไทยผมจะบอกคุณผู้ฟังว่าผมเป็นคนที่รักธรรมชาติรักต้นไม้ใบหญ้าลำธารแม่น้ำทะเลภูเขาแล้วก็ผมก็จะนึกถึงเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเสมอๆวันนี้อยากจะนำเสนอเพลงใบไม้ศิลปินวงฝ่ายนะครับคนที่เขียนคำร้องเพลงนี้คือคุณสีฟ้าผู้ที่ให้ทานองเพลงนี้คือคุณสรดปุณกบุตรเรียบเรียงโดยคุณสรดปุณกบุตร สำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นนักฟังเพลงจะได้ยินชื่อเล่นชื่อนิ่มนะครับความจริงชื่อจริงของคุณนิ่มก็คือกัญญารัตน์วารณวัตรนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าคุณนิ่มสีฟ้าเป็นนักร้องเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงชาวไทยซึ่งเคยอยู่ในสังกัด G m MM m มแกรมมีสำหรับผลงานของคุณนิ่มสีฟ้าที่คุณผู้ฟังต้องรู้จักแน่ๆอย่างเช่นเพลง หมอกหรือควันเพลงเงาที่หายไปอย่าต่อรองหัวใจซึ่งเป็นผลงานทิตๆของคุณธงชัยแม็กอินไตยนะครับถ้ามาถึงฝั่งของคุณคริสตินาก็มีเพลงดังๆเช่นเพลง เ, เลงปล่าหรอกนะเวลาไม่ช่วยอะไรฝากความยินดีแล้วถ้านึกถึงคุณใหม่เจริญปุระนะครับก็มีเพลงดังๆของคุณนิ่มสีฟ้าเช่นไม่อยากให้เธอรู้เสียใจได้ยินไหมเธอรู้หรือเปล่าซึ่งในวันนี้ตั้งใจว่าจะนาเพลงของคุณสีฟ้า นำมาเปิดในทุกช่วงของรายการดีไหมครับคุณผู้ฟังเพื่อความต่อเนื่องได้อัธรสแล้วก็ได้เห็นถึงความเก่งกาจในการแต่งเพลงของคุณนิ่มสีฟ้าตอนนี้เรามาดูประวัติของคุณนิ่มสีฟ้านะครับคุณนิ่มสีฟ้าเนี่ยผลงานส่วนใหญ่ก็จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนไหวนะครับใครฟังแล้วก็จะมีความเศร้านิดนึงโดยเฉพาะเพลงที่มีเนื้อหาเศร้า เรียกได้ว่าใครที่กำลังอยู่ในภาวะเศร้าเหงาปวดร้าวเดียวดายถ้าได้ฟังเพลงของคุณสีฟ้าเนี่ยก็จะยิ่งรู้สึกลึกลงไปในอารมณ์นะครับมีคนเขาแซวไว้ว่าเพลงของคุณสีฟ้าเนี่ยเป็นการทรมานคนฟังด้วยตัวหนังสือสำหรับผลงานของคุณสีฟ้าแต่งเพลงไวมากมายแล้วก็นอกจากนี้ก็ ยังเป็นคนดูแลผลิตผลงานแล้วก็ดูแลในเรื่องของคอนเสิร์ตศิลปินในสังกัดนะครับและนี่คือที่มาที่ไปที่น่าสนใจที่นี่มีคนถามว่าแล้วชื่อสีฟ้ามาจากไหนนะครับผมก็ไปนค้นมาให้เขาบอกว่าซึ่งคอรัสคนนึงเขาก็ชื่อคุณสีส้มเอี่ยมสันลพางซึ่งเป็นคอรัสดังนั้นเพื่อให้คล้องจองเมื่อมีสีส้มแล้วก็มีสีฟ้านะครับก็น่าสนใจดี รุฟังเรามาดูเนื้อเพลงที่น่าสนใจเพลงนี้มีการเปรียบเลยของที่มีค่าหรือบุคคลเปรียบเสมือนใบไม้ใบเดียวที่หลงเหลือไว้ในป่าเป็นไปได้ยังไงครับทั้งป่ามีใบไม้หลงเหลือใบเดียวฉันต้องการเก็บเอาไว้นานๆนจงอย่าเอาไปสิ่งเดียวที่ขอไว้อย่ายื้อแย่งเธอไปจากฉันเลยมีการเปรียบเทียบถึงคุณค่าของบุคคลคนหนึ่งที่ มีความสำคัญต่อคนคนหนึ่งถ้ามีคนเอาไปแล้วก็ชีวิตเขาจะอยู่ได้ยังไงฟ้าอย่าทำร้ายให้เราต้องแยกกันเหลือแต่เพียงฉันคงต้องตายเพราะว่าเธอนั้นช่างมีความหมายแล้วก็เปรียบเเลยถึงใบไม้ใบเดียวเพลงนี้คุณอีทวงฟลายนะครับถ่ายทอดวิธีการร้องรวมทั้งดนตรีเนี่ยได้อย่างไพเราะมากถึงมากที่สุด ผมว่าไม่ว่าผมจะบรรยายว่าเพราะสักเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับการได้ฟังเพลงนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเรามาฟังเพลงที่ทรงคุณค่าเพลงนี้ด้วยกันนี่คือเพลงใบไม้ผลงานของคุณอีทวง Fly ขอเชิญรับฟังครับ ฉันต้องการเก็บเอาไวน้นานๆทงอย่าเอาไปสิ่งเดียวที่ขอไว้อย่ายื่แยกเธอไปจากฉันเลยฝ้ายทีทำรายให้เราต้องแยกกันเหลือแต่เพียงฉัน เพราว่าเธอนั้นจังมีความหมายฝ้ายอย่าดึงพูดคนของฉันไปเธอคนนี้คนเดียวที่ฉันมีคือชีวิตคือลมให้ใจ เธอจากฉันไปเหมือนใบไม้ใบเดียวที่ลงเหลือไว้ในป่าฉันต้องการเก็บมาไว้นานๆจงยา ฉันได้ยอมเสียเสียไปทุกทุกอย่างเพื่อจะมีเธอในหัวใจฉันได้ทุ่มเทเพื่อแลกกับเธอไว้ขออย่าทำลายใจของฉันเลย ฉันีคือชีวิตคือลมให้ใจ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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชัน Sweet FM ฟแอมแป t สิบเวิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www radio rmutt ac th โทรศู6ย์ส7งห ช่วงที่สองมรดกวิถีไทยคุณผู้ฟังครับวันนี้เรายัางอยู่กับเรื่องราวของต้นไม้ใบหญ้าภูเขาแม่น้ำลำทานซึ่งเป็นธรรมชาติที่ก่อให้เกิดชีวิตมนุษย์แล้วก็สรรพสิ่งของโลกใบนี้นะครับวันนี้ในช่วงมรดกวิถีไทยจะพูดถึงสรรพคุณของตะเคียนโดยเฉพาะตะเคียนทองมีประโยชน์มากมายทีเดียวก่อนอื่นมารู้จักต้นตะเคียนกันก่อนเขาบอกว่า สมุนไพที่ได้จากต้นตะเคียนทองนะครับมีประโยชน์มากแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยทราบก็คือสัประคุณในเชิงของเภสัชเภสัชศาสตร์ตรตรนะครับเรื่องของยารักษาโรคเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าตะเคียนทองนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณผู้ฟังครับสักประคุณของตะเคียนทองนะครับเราก็มาดูกันก่อนเลยตั้งแต่แก่นของมัน แกงของมันจะมีรสขมอมหวานช่วยแก้โลหิตแล้วก็เลือดกำดาวไหลเห็นไหมครับนี่สำคัญมากส่วนแก่นหรือว่ายางของมันเนี่ยช่วยควบคุมธาตุในร่างกายช่วยปิดธาตุในกรณีที่ร่างกายเรามีปัญหาหรือว่ามีข้อบอกพร่องเกี่ยวกับธาตุทั้ง4ต่อไปแก่นของต้นตะเคียนก็ช่วยแก้ไขที่เกิดจากหลายสาเหตุ แล้วก็อาการเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดนี้ก็แสดงออกที่ตาเช่นตาจะมีสีแดงเหลืองหรือมีขุ่นคล้ำส่วนแกนไม้ตะเคียนใช้ผสมกับยารักษาโรคที่เกี่ยวกับเลือดลมเกี่ยวกับกระสายก็ได้ในส่วนของเปลือกต้นตะเคียนทองช่วยแก้อาการลงแดงสําหรับใครที่มีอาการลงแดงนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้เลยเปลือกของต้นตะเคียนเอามาต้มน้ํานะครับ และแก่นยังช่วยขับเสมหะนะครับช่วยแก้อาการปวดฟันแก้เหงือกบวมนอกจากนี้เปลือกของต้นตะเคียนทองก็นอกจากนี้เปลือกของต้นตะเคียนทองช่วยแก้อาการเหงือกอักเสบนะครับมาดูที่เปลือกต้นนะครับช่วยฆ่าเชื้อโรคในปากแล้วก็ยังช่วยแก้รักษาอาการโรคบิดนะครับที่ถ่ายออกมาเป็นมูกเลือด นอกจากนี้นะครับแกนแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยช่วยแก้อาการท้องร่วงได้แล้วก็ยางของต้นตะเคียนทองช่วยแก้อาการท้องเสียนะครับคุณผู้ฟังสําหรับเปลือกต้นช่วยในการห้ามเลือดแล้วก็ยังใช้เป็นยาสมานแผลเท่าที่อ่านมานี่โอ้โหเยอะมากเลยนะครับทั้งเปลือกทั้งรากทั้งตัวลำต้นเปลือกนำมาต้มกับน้ำใช้ชะล้างรักษาบาดแผลเรือรังนะครับ ส่วนถ้าใครมีอาการอักเสบก็ใช้เปลือกของต้นเนี่ยช่วยในการรักษามาดูที่ยางของต้นตะเคียนทองใช้ผสมกับน้ําใช้ทารักษาบาดแผลหรือจะทําเป็นยาแห้งบดนะครับใช้เป็นพงรักษาบาดแผลในส่วนของบางคนที่มีแผลน้ําร้อนรวกไฟไหม้ก็ใช้ผงตะเคียนนี่แหละแห้งเนี่ยโรยได้ ส่วนเปลือกเนื้อไม้นะครับเป็นมีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะใช้ฆ่าเชื้อโรคโอ้โหสรรพคุณมากถ้ามีการต่อยอดนะครับนําไปวิจัยนําไปคิดค้นผลิตเป็นยานี่สรรพคุณมากมายทีเดียวยางจากไม้ต้นตะเคียนเมื่อนํามาบดเป็นผงสามารถใช้เป็นยารักษาช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดเช่นใช้ทํายาหมองนะครับเพื่อช่วยบรรเทารักษาบาดแผล หรือบริเวณที่เมแกรฟกช้ําตามร่างกายส่วนถ้าใครเป็นโรคคุทาราชก็นําแก่นของมันเนี่ยมาช่วยบรรเทารักษาได้มาดูดอกของตะเคียนทองนะครับดอกของตะเคียนทองเนี่ยใช้เป็นตำลับนะครับตํำรับยาเป็นเขาบอกว่าเป็นเกสรร้อ 108, ใช้ผสมเป็นยาทิพเกสรได้นอกจากนี้ประโยชน์ของตะเคียนทองนะครับเขาบอกว่า ไม้ตะเคียนจัดเป็นไม้ที่ทรงคุณค่าทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศเพราะว่าเนื้อไม้มีความทนทานทนปลวกได้ดีไม่ว่าจะนำไปเลื่อยนำไปสไตกแต่งแล้วก็ชักเงานะจะขึ้นเงาดีมากแล้วก็คนส่วนมากนิยมใช้ในการก่อสร้างสร้างบ้านเรือนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านแต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้คนไทยยังนิยมไม้ตะเคียนมาตกแต่ง ที่บ้านไม่เพราะว่ามีเรื่องราวของผีสางให้น่ากลัวมากทีเดียวมาดูกันต่อครับเขาบอกว่านํามาทําเครื่องเรือนทํามาทำหน้าต่างวงกบประตูทําพื้นกระดานทําฝ้าหลังคาทํารั้วไม้ก็ได้หรือทําหีบใส่ของก็ได้หรือจะไปทําด้ามสําหรับเครื่องมือในการเกษตรในส่วนของพันท้ายปืนนะครับหรือจะเอาไปทําสะพานต่อเรือนะครับทําเรือขุดโอ้มากมายมาหาสาร ในส่วนของอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับใช้เป็นส่วนประกอบการทํากังหันเกวียนหูกทอผ้าแล้วก็สุดท้ายนึกอะไรไม่ออกก็ไปทําฟืนเนื้อตะเคียนมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากคุณผู้ฟังครับใบตะเคียนนะครับมีสารแทนนินอยู่ประมาณ 10% โดยถ้าถ้ามันแห้งแล้วนะครับส่วนในเปลือกต้นก็มีสารประกอบตัวนี้อยู่ด้วยเช่นกัน โดยคุณสมบัติของสารแทนนินที่ได้จากไม้ตะเคียนทองนี้เขาว่ากันว่าเมื่อนํามาใช้ฟอกหนังก็จะช่วยทําให้แผ่นหนังนั้นแข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิมดังนั้นจึงเหมาะเอามาใช้ในงานอุตสาหกรรมฟอกหนังนะครับส่วนการปลูกต้นตะเคียนนะครับส่วนมากก็ใช้ปลูกตามป่าหรือตามสวนสมุนไพรเพื่อเป็นไม้ที่ใช้บังลมแล้วก็ให้ร่มเงา ช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติเพราะว่าเป็นไม้ที่ไม่ผัดใบพร้อมกันจึงเป็นไม้ที่ช่วยรักษาความเคี้ยวชฉุ่อไว้ทั้งปีแล้วก็ช่วยลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีนะครับเห็นไหมครับว่าต้นตะเคียนมีประโยชน์มากมายที่เรามักจะไม่ค่อยได้พูดถึง ผมว่าจริงๆยังมีไม้ยืนต้นอีกหลากหลายชนิดทีเดียวครับที่เป็นประโยชน์ดังนั้นอยากให้คนไทยมีหัวใจสีเขียวช่วยการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสสําคัญสําคัญหรือบางครอบครัวนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวก็หาโอกาสที่จะปลูกต้นไม้ตามป่าตามสถานที่ต่างๆ ต, ตามที่เขาเชิญชวนก็จะช่วยทําให้ประเทศของเราร่มเย็นนะครับมีอากาศบริสุทธิ์และก็ยังนําผลผลิตจากต้นไม้ นำมาใช้ประโยชน์อีกมากมายทีเดียวครับ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 ไปเที่ยวตามภูเขาแม่น้ำน้ำตกทะเลหรือแม้กระทั่งเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเราจะได้รับความสุขความสงบความร่มเย็นนะครับโดยเฉพาะไปที่ที่เขาปลูกต้นไม้เยอะๆสวยๆนะครับก็จะมีอากาศสดชื่นให้เราได้หายใจดังนั้นคุณลูฟังจะต้องหาโอกาสในช่วงวันหยุดหรือวันพักผ่อนนะครับไปกับเพื่อนฝูงไปกับครอบครัวก็ได้ คุณฟังครับเอาละครับเชิญชวนให้ไปเที่ยวธรรมชาติแต่คุณรู้ฟังก็สามารถสร้างธรรมชาติในบ้านของตัวเองได้ด้วยการปลูกต้นไม้คราวนี้ก็มีปัญหาว่าจะปลูกต้นไม้อะไรอย่างมืด8ด้านวันนี้ผมจะแนะนำต้นไม้มงคลเสริมดวง20ชนิดปลูกแล้วเป็นการเพิ่มโชคลาภปลูกไว้แล้วช่วยทำให้ชีวิตราบรื่น อันนี้เป็นความเชื่อของสิ่งที่เขาเล่ากันมานานแล้วนะครับมาดูต้นไม้ชนิดแรกเลยนะครับคุณผู้ฟังห่งต้นแก้วต้นแก้วเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่เขานิยมปลูกกันมากเพราะว่าดอกแก้วนั้นสามารถส่งกลิ่นหอมเย็นอย่างสดชื่นแล้วก็ส่งผลให้มีคนรักดังแก้วตาดวงใจทําไมล่ะครับเพราะชื่อมันไงครับชื่อมันเพราะ ลักษณะของดอกแก้วก็จะมีสีขาวแซมด้วยเกสรสีเขียวแล้วก็เหลืองให้ความสวยงามในแบบที่มองแล้วสบายตาชนิดที่สองต้นโกโสนนะครับก็เป็นไม้มงคลนะครับชื่อนั้นพ้องคำว่ากุศนซิ่งเชื่อว่าการสร้างบุญคุณงามความดีก็จะช่วยคุ้มครองให้ผู้ที่ปลูกนั้นอยู่เย็นเป็นสุข โกสนเป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากว่าอะไรครับคุณผู้ฟังต้นไม้ชนิดนี้มีสีสันสวยสดงดงามแล้วก็คุณสมบัติที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งชนิดที่เราสามารถพบเห็นโดยทั่วไปตามบ้านลักษณะของใบจะใหญ่หน่อยแล้วก็มีสีเขียวอมแดงอมส้มเหลืองสลับกันดูสวยงามแปลกตา ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าบ้านผมไม่มีต้นนี้มีแต่ญ่ารกไปได้วยย่านะครับเดี๋ยวคิดว่าจะหาต้นโกศลมาปลูกเหมือนกันเอาต่อไปมาถึงชนิดที่สต้นกวนอิมครับต้นกวนอิมก็เป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้าของชาวจีนแล้วก็ชาวไทยที่เราเคารพ บ, บูชากันทั่วไปเราเชื่อกันว่าต้นกวนอิมเงินกวนอิมทองนั้นเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับ เพราะว่าอะไรครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคนโบราณมักจะใช้ต้นไม้ทั้ง2ชนิดนี้มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้าเชื่อกันว่าเมื่อปลูกต้นกวนอิมในบ้านก็จะเกิดเป็นสิริมงคลส่งผลให้มีฐานะดีเกิดความร่ำรวยซึ่งโดยปกติแล้วตามบ้านที่มีการตั้งศาลนะครับศาลเทพเจ้าของจีนเนี่ยมักจะนิยมนำเอาต้นกวนอิมมาประดับไว้ในแจกัน พร้อมๆกับการไหว้เทพเจ้าก็มีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้สําหรับการบูชาที่มีความเป็นสิริมงคลมากๆเลยนะครับต่อไปมาถึงต้นกระดังงาครับอันนี้เป็นที่รู้จักกันดีต้นกระดังงานิยมปลูกกันด้วยเชื่อว่าเป็นมงคลคุณผู้ฟังครับคนโบราณเชื่อกันว่าการปลูกต้นกระดังงาทําให้คนในบ้านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นับหน้าถือตา มีเงินทองลาบยศแล้วควรจะปลูกต้นกระดังงาทางทิศตะวันออกของตัวบ้านนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นสีมงคลให้กับตัวบ้านแล้วก็ครอบครัวที่อยู่อาศัยต้นไม้ชนิดนี้นะครับมีลักษณะดเด่นก็คือเป็นไม้ยืนต้นออกดอกเป็นกระจุกมีสีเหลืองหรือเหลืองอมเขียวมีกลิ่นหอมทั้งในตอนเช้าตอนเย็นแล้วที่สําคัญนะครับจะออกดอกตลอดทั้งปีเลยนะครับคุณผู้ฟัง ต่อไปมาถึงต้นม้ยมชื่อนี้แน่นอนครับชื่อดีเหลือเกินเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยเขานิยมปลูกกันมากโดยเฉพาะการปลูกที่หน้าบ้านด้วยความเชื่อว่าจะทำให้คนนิยมชมชอบไม่มีคนคิดร้ายหรือเป็นศัตรูซึ่งนอกจากม้ยมจะเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทานกันแล้วก็ยังสามารถนำส่วนต่างๆของพันไม้ชนิดนี้ มาทำประโยชน์อื่นๆได้ต่อไปมาถึงชนิดที่6ต้นบานไม่รู้โรยนะครับต้นบานไม่รู้โรยเป็นดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนะครับบานไม่รู้โรยจะช่วยเสริมในเรื่องของความรักนะครับผู้ที่อยู่อาศัยอยู่กับคู่รักเนี่ยให้ผูกพันมั่นคงตลอดไปโดยปกติเราจะเห็นดอกบานไม่รู้โรยอ ย, อยู่ในพานพุ่มไหว้ครูซึ่งการนําดอกไม้ชนิดนี้มาประดับตกแต่ง มีความหมายว่าเสร็จจะให้ความเคารพและเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนไม่มีเสื่อมคลายเปรียบเสมือนดอกบานไม่รู้โรยนั่นเองต่อไปมาถึงต้นดาวเรืองนะครับก็เป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันด้วยชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็สีเหลืองดั่งทองก็จะเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ามีเงินมีทองคนไทยนะครับอย่างนิยมเอาดอกดาวเรืองมาร้อยเป็นพวงมาลัย ทั้งในศาสนาพุทธแล้วก็พราหมณ์ฮินดูนะครับโดยมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นมาได้ต่อไปต้นวาสนาที่ผมเล่ามาทั้งหมดคุณผู้ฟังมีต้นไม้อะไรกันบ้างผมไม่มีสักต้นหนึ่งพูดแล้วก็หน้าอายต่อไปมาดูต้นวาสนานะครับด้วยความเชื่อว่าชื่อนี้แหละที่จะทําให้ผู้ปลูกมีโชคมีวาสนาเกิดความสุขความสมหวังถือเป็นไม้เสี่ยงทาย ถ้าสามารถปลูกได้สวยงามนะครับแล้วก็ออกดอกจะทำให้มีโชคลาภปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวังซึ่งลักษณะของพันธุ์ไม้ชนิดนี้นะครับมีใบเรียวแหลนยาวสีเหลืองสีขาวอมเหลืองนะครับดอกวาสนามีสีขาวไปจนถึงสีชมพูแล้วก็จะมีกลิ่นหอมต่อไปต้นกล้วยไม้นะครับคนโบราณเชื่อว่า กล้วยไม้จะทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไปอันนี้จริงนะครับเวลาฝรั่งมานี่เอากล้วยไม้ไปต้อนรับเขาเขาบอกว่าจะทำให้คนในบ้านมีจริยธรรมเหมาะกับผู้ที่ปลูกมีอุปนิสัยเยือกเย็นอ่อนโยนซึ่งกล้วยไม้ก็เป็นพันไม้ยอดนิยมในการนำมาประกอบพิธีบูชาต่างๆอย่างแพร่หลายนะครับต่อไปข้อที่9ต้นกล้วยไม้ คนโบราณเชื่อว่ากล้วยไม้จะทําให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไปต่อไปเป็นต้นพุธนะครับเชื่อกันว่าไม่ว่าจะเป็นต้นพุทธชนิดใดก็จะส่งผลให้มีความเจริญมั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์แต่ก็ควรให้เป็นพุธชนิดที่เป็นดอกสีขาวแต่อีกในหนึ่งนะครับเพราะก็พูดว่าการปลูกต้นพุทธก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความสําเร็จ เสริมสร้างบารมีแล้วก็ช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปเป็นต้นพญายยก็มีความเชื่อกันว่าจะทำให้การดำเนินชีวิตราบรื่นชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ต่อไปมาถึงต้นจำปาก็ถือเป็นต้นไม้มงคลที่จะนำโชคเหมาะสมกับคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างยิ่งต้นจำปาจะออกดอกตลอดทั้งปีมีกลิ่นหอมในตอน แรกแย้มช่วงพบค่ำนะครับดอกมีสีน้ำตาลปนขาวเล็กน้อยอีกทั้งยังมีสปปรรพคุณทางยาด้วยครับต่อไปไปถึงต้นชบาถ้าเราปลูกกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ให้คุณค่าด้านการงานเจริญรุ่งเรืองไม่มีปัญหาบางทีก็มีความเชื่อว่าต้นชบาไม่ควรปลูกภายในบริเวณบ้าน เพราะว่าดอกชบามักถูกนําไปใช้ในเรื่องที่ไปไม่เป็นมงคลนะครับเช่นการนํามาร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่อสวมคอนักโทษก่อนประหารซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับต่อไปต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนอันนี้แน่นอนครับเป็นต้นไม้มงคลด้วยดอกที่เป็นพวงระยะสวยงามโดยเฉพาะก่อนสงกรานต์นะครับสวยงามทีเดียวมีทั้งดอกสีเหลืองตัดกับ ท้องฟ้าสีฟ้าในฤดูร้อนจะทำให้บ้านให้ดูสดใสผมเคยเห็นดอกราชพฤกษ์สีขาวก็มีนะครับปนกับสีชมพูสีเหลืองเขาบอกว่าถ้าปลูกไว้ช่วยให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนอกจากนั้นเรายังสามารถาพบเจอต้นราชพฤกษ์มากมายในบริเวณเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นทิวทัศน์ที่งดงามมากทีเดียวนะครับ คุณผู้ฟังครับเนื่องจากเวลาเรามีไม่มากเราก็จะนำเสนอต้นไม้มงคลที่ควรจะปลูกไว้ในบ้านนะครับก็คือต้นมะลิเราเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลที่สูงค่าจึงนิยมใช้บูชาพระสีขาวอันบริสุทธิ์แล้วก็กลิ่นหอมเย็นไม่ว่าจะเป็นมะลิซ้อนหรือมะลิลาก็จะช่วยส่งเสริมสิริมงคลนะครับทให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์มีความรักความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไป นอกจากนั้นด้วยกลิ่นหอมของดอกมะลิจึงนิยมนํามาลอยสําหรับใส่ในน้ําดื่มรวมถึงการนําไปร้อยมาลัยสําหรับไหว้พระแล้วก็นําไปทําน้ําอบน้ําปรุงเครื่องหอมเพื่อใช้ประพรมในเทศกาลต่างๆอีกด้วยคุณผู้ฟังครับต้นไม้มงคลทั้งหมดที่แนะนํามาให้คุณผู้ฟังได้ปลูกก็เป็นเรื่องสําคัญแต่การมีจิตใจที่คิดเป็นกุศล ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นมงคลอีกชนิดหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งฟังเพลงเพลอแล้วก็ไปพบกับช่วงมรดกทางภาษาต่อไปครับ เธอไป เจ็บช้ำเพราะเธอไปแล้วรบนะน้าตาที่รินไหลให้กับฟ้ากับใบไม้แต่ไม่ใช่เธอเรื่องที่เธอเดินจากกันไปคราวนั้นไม่มีวันที่ฉันจะเจ็บใจไม่มีวันเพราะเธอไม่มีความหมายไม่มี เธอ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 89.5 เมกะเฮิรตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค <Laura> ุณกําลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิรต คุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงมรดกทางภาษาผมบอกก่อนว่านี่เป็นตำนานเป็นเรื่องราวที่คนไทยส่วนมากคุ้นเคยแล้วก็มีความร้อนความน่ากลัวนิดๆ น, นะครับในเรื่องราวของออนางตานีผีนางตาณีซึ่งก็เฮี้ยนพอๆกับผีนางตะเคียนนะครับแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของนางตานีตามตำนานบอกว่านางตาณีเนี่ยเป็นผีผู้หญิงเช่นเดียวกับนางตะเคียน ซึ่งนางตาหนีก็จะสิงอยู่ในต้นกล้วยตาหนีอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ต้นกล้วยตาหนีทุกต้นจะมีนางตาหนีสิงอยู่นะครับซึ่งลักษณะของพรายตาหนีโดยทั่วไปก็จะเป็นหญิงงามนุ่งหม่มตามแบบสตรีทไทยโบราณสบายก็จะมีสีตองอ่อนนะครับผ้านุ่งจะมีสีตองแก่ กลิ่นกายหอมคล้ายๆดอกกล้วยจเจริญอินทรกระเกรดนะครับอธิบายไว้ในสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่ม13นะครับได้บอกว่ากล้วยตานีเป็นที่สิงสถิตของพลายตานีเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนรุ่นเก่าพลายตานีนะครับคุณผู้ฟังเชื่อกันว่ามีหน้าตาสวยมีกลิ่นตัวหอมไวผมยาวฝ่ามือฝ่าเท้าแดงอ่อนดุจเท้าของนกพิราบ ริมฝีปากมีสีเหมือนตำลึงสุกถ้ากล้วยตานีมีลำต้นอวบพลายตานีก็จะมีรูปร่างทรงท้วมถ้ามีามลำต้นโปรง่งนะครับพลายตานีก็จะมีรูปทรงสวยงามอ่อนแอ่นอรชรโดยเหตุที่พลายตานีเป็นผีชาวบ้านจึงไม่ค่อยกล้าปลูกกล้วยตานีไว้ใกล้ๆกับบ้านเรือนแม้จะปลูกไว้ใกล้เรือนก็จะ ตัดเอาใบตองไปใช้นะครับก็ห้ามไม่ให้ตัดเอาไปทั้งใบต้องเจียนใบตองเอามาแต่ใบตองเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องหักก้านเสียก่อนเพราะถ้าตัดเอาเข้ามาในเรือนทั้งใบถือเป็นรางร้ายว่าจะมีใครในบ้านนั้นเสียชีวิตไหนไม่ช้าทั้งนี้ก็เนื่องมาจากคติเดิมที่บอกว่าใช้ใบตองกล้วยตานีสามใบรองก้นลงศพนั่นเอง ฟังแล้วน่ากลัวไหมครับรูฟังบางทีนะครับก็มีชายหนุ่มที่หมายปองแล้วก็เข้าไปทําวิธีการเกี่ยวพาราสีพลายตานีแล้วก็มีคนบอกว่าในได้นางพลายตานีมาเป็นเมียมาเป็นภรรยาอะไรทํานองนี้แต่ว่าสําคัญมากนะครับตามตำนานได้กล่าวว่าคนในสมัยก่อนเชื่อว่าผู้ที่ได้นางตานีเป็นเมียนั้นมักจะมีอันเป็นไป เพราะว่าพลังชีวิตทั้งสองฝ่ายนั้นจะถ่ายทอดซึ่งกันและกันถ้านําลัทธิเต๋ามาเปรียบเทียบซึ่งก็คือนางตานีนั้นเป็นผีผู้หญิงซึ่งก็คือพลังงานยินส่วนผู้ชายนั้นคือพลังงานหยางตานีนั้นเป็นผีที่มีพลังงานยินที่อ่อนมากพลังงานหยางที่อยู่ในตัวผู้ชายที่เป็นมนุษย์ก็จะถ่ายเทไปนะครับทำให้เกิดความสมดุลแต่การถ่ายทอดพลังงานชีวิตนั้นจะเป็นอันตรายต่อฝ่ายชายที่เป็นมนุษย์ ดังนั้นโบราณจึงได้กล่าวไว้ว่าคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้ผลข้างเคียงในการถ่ายทอดพลังงานชีวิตของฝ่ายชายนั้นจะสังเกตได้จากอาการนะครับก็จะมีลักษณะสู้พร้อมแก้มตอบเหมือนคนอดอาหารชาวบ้านมักจะสังเกตอาการเหล่านั้นแล้วก็รู้ทันทีว่าผู้ชายคนนั้นมีเมียเป็นนางตานี ก็จะนิมนต์พระภิกษุหรือเชิญหมอผีที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามาทำพิธีไล่ผีนางตาณีหรือแยกคนทั้งสองออกจากกันแล้วหลังจากนั้นก็มีการอุทิศส่วนกุศลให้กับนางตานีไปสู่สุคตินี่ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นความรักระหว่างพบเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เคยมีคนนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ก็เป็นเรื่องราวที่สนุกดีนี่คือในช่วงของ มรดกทางภาษากับตำนานผีนางตะนีคุณผู้ฟังฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ คือ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 ก็เดินทางอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรามีความสุขนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งความรู้สาระและก็บันเทิงจะช่วยส่งเสริมทำให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขมากถึงมากที่สุดถ้าคุณผู้ฟังมีความสุขมากถึงมากที่สุดผมเองจะมีความสุขแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับที่ คุณผู้ฟังได้ส่งกำลังใจมาให้เสมอๆนะครับหากคุณผู้ฟังสนใจรับฟังรายการมรดกไทยนะครับสามารถติดตามได้ที่ FM 89.5 MHz เมสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนผู้ดำเนินรายการขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟัง เราจะพบกันใหม่คราวหน้าสําหรับวันนี้ผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ fm 8 9 5สิบเมกะสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคุณกําลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม